พระหัตถกถาจารย์ได้ประมวลหลักเกณฑ์บางอย่างไว้สำหรับกำหนวดว่าการกระทำแค่ไหนเพียงใดจึงจะชื่อว่าเป็นการละเมิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้รักษาศีลดยจัดวางเป็นองค์ประกอบของการละเมิดเรียกว่าสัมภาระหรือเรียกง่ายๆว่าองค์บุคคลจะชื่อว่าละเมิดศีล เรียกกันง่ายๆว่าศีลข้อนั้นจะขาดต่อเมื่อกระทำการครบองค์ทั้งหมดของการละเมิดดังนี้ศีลข้อหนึ่งปานาติบาตมีองค์ห้าคือหนึ่งสัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตสจิตคิดจะค่าสี่ มีความพยายาม 5. สัตว์าตายด้วยความพยายามนั้นสิลนข้อสองอธินาทานมีองค์ห้าคือหนึ่งของผู้อื่นห่วงแหน 2. รู้อยู่ว่าเขาห่วงแหน 3. จิตคิดจะรักสี่ มีความพยายามหาลักของได้ด้วยความพยายามนั้นสิลข้อสการเมสุมิชาจารมีองค์ีคือหนึ่งอคมัมณีรวัตถุได้แก่สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรละเมิด 2. จิตคิดจะเสพ 3. ม, มีความพยายามในการเสพสอย่างมักคืออวัยวะสืบพันธุ์ให้ถึงกันสินข้อสี่มุสาวาดมีองค์ีคือหนึ่งเรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนสา มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนนั้นสผู้อื่นเข้าใจความที่พูดนั้นสิลนข้อห้สุราเมรยัยมีองค์ีคือหนึ่งสิ่งนั้นเป็นของเมา 2. จิตใกล้จะดื่มสา มีความพยายามเกิดจากจิตที่ใครจะดื่มนั้นสกลืนให้ล่วงลำคอลงไปสำหรับในที่นี้องค์ของการละเมิดปิสุนาวาจาเป็นต้นไม่ได้ยกมาแสดงในที่นี้ด้วยเพราะประสงค์จะแสดงเพียงสีลห้าผู้ต้องการทราบพึงดูตามที่มาซึ่งได้ให้ไว้แล้วอันหนึ่งสำหรับสีลข้อห้า ปัจจุบันสิ่งเสพติดที่เสพได้โดยวิธีการอย่างอื่นนอกจากดื่มพึงจับเอาสาระมาเทียบเคียงสำหรับสีนข้อที่หนึ่งคือเว้นปานาติบาตนั้นแม้ว่าการฆ่าสัตว์ท่านจะมุ่งเอาสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์เป็นหลักดังพุทธพจน์ที่ยกมาแสดงแล้วแต่สัตว์จำพวกที่เรียกว่าเดรัจฉานก็รักชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์ เ, เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ควรเบียดเบียนเช่นเดียวกันสินข้อนี้ท่านจึงให้แผ่คลุมไปถึงสัตว์จำพวกเดรัจฉานด้วยแต่ยอมรับว่าการฆ่าสัตว์จำพวกเดรัจฉานมีโทษน้อยกว่าการฆ่าสัตว์จำพวกมนุษย์ในเรื่องนี้อธกิกถาก็ได้แสดงหลักสำหรับวินิจฉัยว่าการฆ่าสัตว์ใดมีโทษน้อยหรือโทษมาก โดยดูที่หนึ่งคุณสัตว์มีคุณมากค่าก็มีโทษมากสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณก็มีโทษน้อยเช่นค่าพระอาหารหันต์มีโทษมากกว่าค่าปุตุชนค่าสัตว์ช่วยงานมีโทษมากกว่าค่าสัตว์ดุร้ายเป็นต้น 2. ขนาดกายสำหรับสัตว์จำพวกดิรัชาน ที่ไม่มีคนเหมือนกันฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากฆ่าสัตว์เล็กมีโทษน้อย 3- ความพยายามมีความพ ย, ย า, าพ ย, ยามมากในการฆ่ามีโทษมากมีความพยายามน้อยมีโทษน้อย4กิเลสหรือเจตนากิเลสหรือเจตนาแรง มีโทษมากกิเลสหรือเจตนาอ่อนมีโทษน้อยเช่นฆ่าด้วยโถศะกหรือจงใจเกลียดชังมีโทษมากกว่าฆ่าด้วยป้องกันตัวเป็นต้นแม้ในศีลข้ออื่นๆท่านก็กล่าวถึงการละเมิดที่มีโทษมากหรือโทษน้อยไว้แนวเดียวกันเช่นอธินาทานมีโทษมากหรือน้อย ตามคุณค่าของสิ่งของคุณความดีของเจ้าของและความพยายามในการลักกาเมสุมิฉาจารย์มีโทษมากหรือน้อยตามคุณความดีของคนที่ถูกละเมิดความแรงของกิเลสและความเพียรพยายามมุสาวาดมีโทษมากหรือน้อยแล้วแต่ประโยชน์ที่จะถูกตัดรอนเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อย และแล้วแต่ผู้พูดเช่นเข้ารือหัสจะไม่ให้ของของตนพูดไปว่าไม่มีก็ยังมีโทษน้อยแต่ถ้าเป็นพยานเท็จมีโทษมากสำหรับบัรพชิตพูดเล่นมีโทษน้อยจงใจบอกของที่ไม่เคยเห็นว่าเห็นมีโทษมากการดื่มของเมามีโทษมากน้อยตามอากุศลจิตหรือกิเลสในการที่จะดื่ม ตามปริมาณที่ดื่มและตามผลที่จะก่อให้เกิดการกระทำผิดพลาดชั่วร้าย